จเจริญตอนทุกทุกท่านหรวงพ่อมาเทศที่นี่หลายปีแล้วตามกาหนดก็เทศปีนี้ปีหน้ารับนิมนต์อีกสักรอบหนึ่งเต็ดเราจะอยู่ในภาคกลางคงไม่ได้มาไกลไกลแล้วแก่แล้วก็ไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นหรอกท่านรับนิมนต์ไปให้คนทำบุญเนาะไม่ต้องใช้แรงมาก หลพ่อเดินทางยาวๆมาเนี่ยเวลาเทศนเี่ยไม่ค่อยมีแรงใช้แรงเยอะนะในการสอนกรรมฐานเรียนกรรมฐานมันไม่เหมือนเรียนปริยัติเรีนปริยัตินั้นคนสอนเขาก็ท่องมาคนฟังเขา้ามาฟังมาจดเอาไปจํำมาไว้ในการเรียนปฏิบัตินะั้นเราเรียนกันด้วยใจจริงๆเอาใจมาแลกกัน ถ้าใจของเราพอาหมาพอควรกัธรรมะระดับไหนรูบาอาจารย์ก็จะสอนธรรมะพอดีพอ ด, พอดีกับที่เราจะได้ประโยชน์นั่นเป็นเรื่องของความมีสมาธิทั้งสองข้างหลวงพ่อก็ต้องใช้สมาธิพวกเราในการฟังเราก็ต้องใช้สมาธิถ้าเราวกแก๊กวกแป๊กธรรมะจะสะดุดทันทีเลย เป็นการต่อเชื่อมระหว่างใจกับใจเอาใจมาแลกกันมาเชื่อมต่อกันธรรมะนั้นในความเป็นจริงแล้วอยู่ทุกหนทุกแห่งแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นบางตำราบางนิกายก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้านะแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาก็จริงของเขา แต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนก็คือทัวธรรมะนั่นเองธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ทุกหนทุกแห่งแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักมองเราก็จะเห็นธรรมะนั้นแสดงตัวอย่างอยู่ในป่าต้นไม้ก็สอนธรรมะมีต้นไม้อ่อนๆต้นไม้แก่ๆต้นไม้ร่วงไปต้นไม้ตายไป สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็สอนธรรมะเราอยู่ในบ้านในเมืองเราก็เห็นบางคนก็แก่บางคนก็เจ็บบางคนก็ตายบางคนก็เกิดมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นเลยในร่างกายในจิตใจของเราก็เป็นธรรมะร่างกายนี้เรานึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราธรรมะก็พยายามสอนให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันแสดงธรรมะให้เราดูผ่านความแก่ความเจ็บความตายในด้านจิตใจเราก็คิดว่าจิตใจที่เป็นตัวเราเป็นของเราธรรมะก็ถ่ายทอดให้เห็นมันไม่ได้อย่างใจบางครั้งเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบางครั้งก็ประสบกับสิ่งที่ไม่รักบางครั้งเจออารมณ์ที่ถูกใจบางครั้งเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจธรรมะสอนให้เราเห็นว่า สภาวะธรรมทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะั้นอยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวก็หายความโลภความโกรธความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ธรรมะมันสอนเราตลอดเวลาธรรมะสอนละเอียดเข้าไปอีกนะในสภาวะ ท, าทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะั้นล้วนแต่บังคับไม่ได้ เราจะสุขหรือเราจะทุกข์เราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้จิตมันทำงานของมันขึ้นมาเองจิตจะเป็นกุศลหรือจิตจะเป็นอกุศลเราก็สั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้ถ้าเราเลือกได้นะเราคงสั่งให้จิตเป็นกุศลอย่างเดียวไม่มีอกุศลเลยนี่เราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้เดี๋ยวความโลภก็เกิดเดี๋ยวความโลภก็หายไปเดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นความโกรธหายไป ความหลงเกิดขึ้นความหลงหายไปความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านหายไปความพดหูใจเกิดขึ้นความพดหูใจก็หายไปสภาวะธรรมทั้งหลายนะล้วนแต่สอนธรรมะเราทั้งสิน้นทั้งสภาวะธรรมที่อยู่ข้างนอกนะสภาวะธรรมภายในกายในใจของเรานี้สภาวะธรรมแสดงตัวอยู่ธรรมะแสดงตัวอยู่แต่คนทำไมไม่รู้ไม่เห็น ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาตรัสลูมาสอนให้ย้อนกลับมาโอปัยญิโกมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจต้องอาศัยปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้มาดูธรรมะซึ่งเป็นของพื้นพื้นเป็นของธรรมดาเป็นของที่แสดงตัวอยู่แล้วทนโทษเลยเพราะสติปัญญาของเรานั้นไม่พอเราไม่รู้วิธีการว่าทำยังไงเราจะรู้สึกรู้เข้าไปเห็น สภาวะของรูปธรรมสภาวะของนามธรรม ท, ทำยังไงเราจะเห็นสภาวะรูปธรรมแสดงไตรลักษณ์สภาวะนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ทำยังไงจะเห็นได้แพระพุทธเจ้าสอนคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการเป็นศาสตร์เป็นวิธีการที่จะทำให้จิตใจเรานั้นได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ การเห็นความจริงนกะ็คือคาว่าวิปัสสนานั่นเองปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคนกว่าวิธีที่จะคาให้จิตใจเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เป็นเรื่องยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะสามารถรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เพราะอะไรเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายของคนและสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่เขารู้นะ่ะไม่ใช่รูปนามกายใจของตัวเองหรอกเขาจะรู้เรื่องราวที่คิดนึกปลูงแต่ง ว, วันวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาสังเกตไหมพอตื่นปุ๊บคิดปับ๊บบางทีคิดตั้งแต่ยังไม่ตื่นรู้จักไม่คิดตอนไม่ตื่นเรียกว่าฝันใจมันคิดตลอดเวลาตื่นมาก็าคิดแล้ววันนี้วันอะไร วันนี้จะต้องทำอะไรนะวันนี้ต้องเจอใครคิดล่วงหน้าแล้วเวลาเจอคนนี้เราก็คิดต่ออย่างเห็นคนคนหนึ่งเดินมานะเราก็คิดอีกคนนี้เป็นใครอ๋อมันเป็นคนนี้นิสยัยมันเป็นอย่างนี้มันเคยมีเรื่องกับเรามาเมื่อครั้งนี้เมื่อครั้งนีนะ้เราไม่ยอมที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองเราสนใจแต่ในเรื่องราวที่คิดงัเมื่อไรที่จิตของเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิด เรารู้เรื่องราวที่คิดขณะที่รู้เรื่องราวที่คิดนะเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้วิธีสังเกตนะลองสังเกตดูเวลาที่เราใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเนี่ยถ้าใจลอยสุดขีดเลยนะใจหนีไปคิดอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหมไม่รู้ว่ามันคิดอะไรไปเรื่อยๆๆนะคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยลองลงมาหน่อยนะก็คิดเราก็รู้เรื่องที่คิด แต่สังเกตเธอขณะที่เราคิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดนะ่ะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองเวลาเรานั่งคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้นะ่ะยุ่งมากัดเรายังไม่รู้เลยเพราะเราไม่สนใจในร่างกายงูเลื้อยมาสั่งตัวหนึ่งก็ไม่เห็นนะมัวแต่นั่งใจลอยอยู่ดังั้นมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพราะใจนะี่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดทาให้ไม่สามารถ ที่จะรู้ความจริงของกายของใจได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากายกับใจหายไปซะแล้วเงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยที่ทําให้เราและคนและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำํำวิปัสสนากรรมฐานได้ก็คือการที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดทั้งวันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่อง น, อ น, องนี้คิดบางเรื่องก็มีความสุขเราก็ไม่รู้ว่ามีความสุขคิดไปบางเรื่องมีความทุกข์เราไม่รู้ว่ามีความทุกข์คิดไปบางเรื่องเกิดโลภโกรดลง ไม่รู้ว่าโลภลดลงเรียกว่าไม่รู้สภาวะรู้แต่เรื่องที่คิดคิดถึงไอ้คนนี้คิดถึงยายผู้หญิงคนนี้คิดถึงเรื่องโ น, น้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเข้าของอยากจะได้ของอันโน้นอันนี้นใจมันคิดไปมันลืมสภาวะทั้งทั้ ท, ที่ถ้าเราจะคอยรู้สึกร่างกายมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเราจะคอยรู้สึกในใน จ, จิตใจของเรามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เราเคยชินที่จะลืมกายลืมใจเราเคยชิน ที่จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดต่อไป น, นี้เราพยายามมาปลูกตัวเองนะให้หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือมีกายรู้สึกกายมีใจรู้สึกใจขณะนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายนั่งต้องพิจรารณาว่าขณะนี้นั่งหรือขณะยื น, ยนในห้องนี้นั่งกันทุกคนเลยแต่นั่งท่าต่างกัน บางคนนั่งครับเพียบท่างกัดสมาธิบางคนนั่งเก้าอี้ะบางคนก็นั่งขาค่อยไปค่อยมาอนะไรนี้แล้วแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าขนาดนี้ร่างกายมันเป็นยังไงเอาลองยิ้มหวานสิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเราพยักหน้าสิรู้สึกไม้มร่างกายพยักหน้ารู้สึกมันจะยากอะไรแต่เราละเลยทั้หางมันทําให้เราพอนามไม่ได้สติ ละเลยไม่ยอมรู้สึกกายไม่รู้สึกใจนะที่จริงการจะรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยขนาดนี้ที่พวกเรานั่งฟังอยู่เนี่ยะรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ะรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งไม่ได้จ้องนะพอบอกให้รู้สึกก็จะโอเวอร์ไปอีกไม่ได้รู้สึกแต่ว่าจะไปบังคับคอยจ้องเอาละ่ะจะยิ้มละยิ้มนะ เอาขยับมืออะไรๆมันผิดธรรมดาไปหมดมันยุ่งยากไปหมดที่จริงแล้วการจะรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากเลยขณะ น, นี้พวกเราหายใจออกหรือพวกเราหายใจเข้ารู้ได้ไหมหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ได้ไหมยากไหมจะรู้ไหมว่มาหายใจออกหายใจเข้ายากไหมไม่ยากอะไรเลยแต่เราไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆมันง่ายขนาดนี้ ง่ายจนยากนะเพราะอะไรเพราะเราเอาแต่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอได้ยินว่าให้รู้สึกการู้สึกใจเราก็คิดทันทีเลยทํายังไงจะรู้สึกอย่างนั้ว่ามันยากนะในการรู้สึกเนี่ยก็ต้องทํายังไงจะรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ถูกหรื อ, อยังเนี่ยหลงแต่อยู่ในความคิดตลอดเวลาต่อไปนี้นะ่าปลุกตัวเองขึ้นมาให้ตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเนี่ยคันนะพวกเรานั่งเก่าโน่นเก่า น, น, น, านี้ทุกคนอะ เดี๋ยก็เก่าตัวนั้นตันี้ส่วนมากพอคันเนี้เราเก่าเลยนะเราไม่รู้สึกร่างกายเก่าจะหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี่คันไม่รู้ว่าเมื่อกี่เก่านะไม่รู้สึกอยู่ที่กายไม่รู้สึกอยู่ที่ใจค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆนะรู้สึกกายก็ไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยยกมา้ายกมือนะขยักหน้ายิ้มหัวเราะอะไรเนี้ยคอยรู้สึกไปกินข้าวจะขับทายนะบางคนบอกว่าเวลาเข้าส่วมห้ามภาวนา ลเลวงพ่อไม่ห้ามนะพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทําให้ต่อเนื่องไปไม่ขาดสายเลยภาวน า, า, วนาต่อเนื่องไม่มีเว้นวักไม่ใช่เข้าส่วมห้ามภาวนาะบางคนบอกเกรงใจพุทโธพุทโธแล้วนั่งอึอยู่เนาะไม่ไม่ดีรู้สึกไม่ดีเกิดตกซ่วมตายตอนนั้นนะ่ะใช่ไหมตายอยู่กับพุทโธก็ยังดีกว่าไม่มีพุทโธนะงั้นเรารู้สึกไป๋ยวเว้นวักนะจะทําทอะไรก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไป ถ้าเรารู้สึกอยู่ที่กายได้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยะเวลาเข้าห้องน้ําอ่ะมีความสุขหรือความทุกข์อ่ะเห็นไหมความทุกข์มันเที่ยงไหม ก, กําลังปวดท้องนี่มันทุกข์ใช่ไหมไปขับถ่ายถ่ายไม่ออกเคยมีไหมถ่ายไม่ออกทุกข์ไหมเออพอถ่ายได้ดีใจไหมถ่ายไม่เลิกอ่ะดีใจอีกป่าวไม่ดีใจอีกแล้วคลุ้มใจอีกแล้วจะยากอะไรย คอรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเรื่อยๆไปการรู้สึกใจก็ไม่ใช่เรื่องยากนะขณะ น, นี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิยกมือใครมีความสุขจําตัวเองไว้นะขณะ น, นี้ใครมีความทุกข์บ้างยกมือซิไม่ต้องเกรงใจยกเลยอนี่ทุกข์เพาะจะส่งบ้านบ้านหรือมั้งเครียดจัดเลยมั้ง <laughs> นะเห็นเกณฑ์ไหมตัวอะไรหัวเลาะ เมื่อกี้สังเกตไหมหัวเราอแต่ลืมตัวเองหัวเราอไปแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายเป็นหัวเราอเห็นใจเป็นขำก่อนที่หน้ามันจะหัวเราอก่อนที่ปากมันจะหัวเราอใจมันขำก่อนรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกหัดรู้สึกมันจะยากอะไรนักหนาเนะมื่อกี้ถามแล้วนะว่าใครสุขก็ยกมือเยะอะเลยใครทุกมีไม่กี่คลมีพวกเจะส่งกันบ้านเนี่ยทุกมากหน่อยนะใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกยกมือซนะิพวกไม่สุขไม่ทุก ใครไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยยกมือซิมีไหมมีหนึ่งคนไม่รู้เหรอหน้าเรียกมาข้างหน้า <c oughs> มันจะยากอะไรใจเราสุขนะใจเราทุกข์ใจเราเฉยเฉยหัดรู้ไปนะหัดรู้ทันใจของตัวเองไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกเวลาโกรธรู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธยกมือซิทำไมให้ยกมือบ่อยเพิ่งกินข้าวมา ตองยกมือบ่อยๆหน่อยเอเดี๋ยวหลับรู้จักโกรธใช่ไหมใครเคยโลภมีไหมโลภใครเคยบ้ากามเจอผู้หญิงแล้วอยากปล้ำมีไหมยกมือซิมีเหมือนกันเนะ <c oughs> อ๋อหน้าหลายคนเลยใจถึงเนี่ยมันจะยากอะไรทําไมหลวงพ้อถามว่าใครเคยโกรธยกมือเยอะแยะเลยสแสดงว่าอะไรสะแสดงรู้ว่าโกรธเป็นยังไงใครเคยโลภนะก็ะยกมือเยอะแยะเล ย, ยก็รู้ว่าความโลภเป็นยังไงมันต้องรู้นั่นแหละไม่งั้นจะยกมือได้หรอ ใครบ้า ก, กามเพื่อมีคนยกมืออีกนะสแสดงว่ารู้ว่าบ้ากามเป็นยังไงบ้ากามเนี่ยคือจิตมันมีราคา้ารุนแรงนะก็โลภอย่างแรงนั่นแหละนะงั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากที่เราดูไม่ได้เพราะเราไม่ดูนะถ้าเราคอยรู้ทันอย่างในจิตใจของเราเนี่ยมันสุขให้คอยรู้มันทุกขนะ์ให้คอยรู้มันโลภมันโกรธมันหลงนะให้คอยรู้ มันฟุ้งซ่านให้รู้มันหดหูให้รู้รู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านบ่อยไหมนะระหว่างฟุ้งซ่านกับโกรธเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันใครฟุ้งซ่านมากกว่าโกรธยวมือซิใครโกรธมากกว่าฟุ้งซ่านมีไหมพวนนี้เภาวนามไม่เป็นนะก่อนจะโกรธได้ต้องฟุ้งซ่านก่อนนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธหรอกนะโมหะเป็นกิเลสยืนพื้น ต้องอาศัยโมหะนะราคะหรือโทสะถึงจะเกิดได้แล้วราคะโทสะเนี่ยจะไม่เกิดเดี่ยวๆเวลาราคะเกิดเนี่ยต้องเกิดร่วมกับโมหะเวลาโทสะเกิดต้องเกิดร่วมกับโมหะแต่ราคะากับโทสะเนี่ยจะไม่เกิดพร้อมๆกันเกิดร่วมกันไม่ได้มันศัตรูกันอย่างรักแต่เกลียดเนี่ยรักแต่เกลียดเนี่ยสภาวะตรงข้ามกันนะแต่พวกเรามีไหมใครสักคนหนึ่งที่เราทั้งรักทั้งเกลียดมีไหม ประเภททั้งรักทั้งแขนมีไหมเคยมีไหมครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีไหมใครเคยอกหักบ้างยกมือซิเน่าหารมากเลยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายที่ยกนะถ้าไมไปจีบแล้วไอ้หนุ่มมันไม่เอาเหรอมนะเลยอกหกักนะเวลาอกหกักรู้สึกไหมทั้งรักทั้งแขนบางทีสลับไปสลับมานะเราก็บอกเนี่ยเรารักด้วยแขนด้วยจริงๆไม่ใช่ขณะที่รู้สึกรักเนี่ย ขณะหนึ่งนะขณะที่แข็นเนี่ยอีกขณะหนึ่งคนละขณะไม่เกิดร่วมกันหรอกเกิดคนละเวลากันแต่มันสลับไปสลับมาเราก็เลยรู้สึกคนนี้เราทั้งรักทั้งเกลียดจริงๆแล้วมันสลับกันมันจะยากอะไรที่เราจะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจะยากอะไรที่จะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้ม แล้วบางคนสังเกตไหมพะโล่พ่อให้ยิ้มหวานเนี่ยใจมันยิ้มออกมาด้วยใจมันคลายตัวออกใจมันมีความสุขด้วยน้ําคลายเหมือนดอกไม้บานเนี่ยเขาคอยรู้สึกที่กายคอยรู้สึกที่ใจบ่อยๆนะการที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าปัญญาจะเกิดหรือไม่เกิดถ้ารู้สึกอยู่ที่กายได้เราจะเห็นความจริงของกายถ้ารู้สึกที่จิตใจได้เราจะเห็นความจริงของจิตใจ ความจริงของร่างกายก็คือมันถูกความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เนี่ยใครเก่าไปบ้างแล้วยกมือสิมีไหมนี่เมื่อกี้ก็เก่าอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เก่าเพลินไม่รู้เลยะเ <c oughs> นี่ยแค่นี้เองนะเราอย่าไปนึกนะว่ากรรมฐานเนี่ยคืออะไรที่ลึกลับซับซ้อนกรรมฐานคืออะไรที่ยากเย็นแสนเข็นกรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านั้นเองนะ จะรู้กายจะรู้ใจก็ไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างเราร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกร่างกายยิ้มร่างกายหน้าบึ้งคอยรู้สึกร่างกายเกานะคันก็เกานเนี่ยนี่ร่างกายปวดเมื่อยล้วก็ขยับสังเกตไหมที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้นั่งนิ่งๆนึกออกไหมเรานั่งแล้วเราก็ขยับบิดเอวไปด้วยนะเพราะอะไรตอนนี้ยังลุกขึ้นเดินไม่ได้ก็ได้ขยับแค่เนี้ยนะ ที่หลวงพ่อดูอยู่เนี่ไม่มีใครที่นั่งแล้วไม่ขยับเลยมันไม่ได้นะมันปิดธรรมชาติจริงๆแล้วก็ยุกยิบก็ยุกยิอยู่ตลอดเวลาทําไมก็ยุกยิบอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเมื่อยเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆเราจะเห็นนะกายนี้ทุกข์จริงๆเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งอยู่เมื่อยไหมเออนั่งนานๆก็เมื่อยนะนั่งเตียงตัวละแสนตัวละล้านยังเมื่อยเลยนอนอยู่เมื่อยไหมนอนใครรู้สึกนอนมีความสุขบ้างยกมือซิ นอนแล้วมีความสุขยกมือซิเออต้องซื่อตรงนะใครรู้สึกว่านอนแล้วมีความทุกข์บ้างยกมือซิเป็นไรไม่มีที่นอนหรือมดกัดหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่านอนเนี่ยมีความสุขนอนเนี่ยเพื่อแก้ความทุกข์ของอิริยาบถอื่นๆแล้วนอนไปนะความทุกข์ในอิริยาบถอื่นหายไปนะแต่ความทุกข์ในอิริยาบถนอนเนี่ยจะตามมาอย่างรวดเร็วเลย จะนอนอยู่ก็ทุกนะจะเดินอยู่ก็ทุกจะนั่งอยู่ก็ทุกจะนอนอยู่ก็ทุกเวลานอนน่ะเราพลิกตัวไหมทําไมต้องพลิกเพราะมันทุกเห็นไหมเพราะมันทุกทําไมเราต้องไปกินข้าวเพราะมันทุกกินข้าวแล้วทําไมต้องไปขับถ่ายเพราะมันทุกใช่ไหมเนี่ยธรรมะสอนเรานะธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเนี่ยธรรมะแสดงความทุกข์ให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย แลง้นถ้าเรามีสติคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับกายนะแต่ว่าร่างกายเป็นยังไงคอยรู้สึกร่างกายยิ้มร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกเป็ร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายนะร่างกายแต่งตัวร่างกายอาบน้ำนะแคอยรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆนะยกเว้นนะร่างกายข้ามถนนเนี่ยยกเว้นนะให้ดูรถนะตอนนั้นไม่ต้องมาเคร่งเข้มกรรมฐานรถจะเหยียบเรานะ เราจะไม่ได้ภาวนาต่อตายซะ ก, ก่อนให้รู้กาลเทศะงั้นตอนไหนอย่างขณะ น, นี้ปลอดภัยเขณะนี้เราปลอดภัยแล้วไม่มีอันตรายนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแล้วรู้สึกกายเนืองเนืองเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่ของพิเศษที่ควรรักและหวงแหนแตลอดชีวิตที่ผ่านมานะเราหวงร่างกายมากเลยจนเราแก่เท่าขนาดไหนเราก็ยังรู้สึกรักในร่างกายนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าสติเราคอยตามรู้อยู่ในร่างกายเนืองนือ ง, เ, องเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถนะกระทั่งการหายใจออกหายใจเข้าก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเอาลองหายใจออกให้นานที่สุดสิหายใจออกสุขหรือทุกทุกนะหายใจเข้าสิ หายใจเข้าไปเรื่อยๆสุขหรือทุกข์พอเราหายใจออกนะเราก็ทุกข์เราก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วเราก็ทุกข์เราก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกนั้นร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกนะเช่นเดียวกับที่ว่าร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ครยรู้สึกกายเรื่อยๆเราจะรู้ว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ รู้ไปแล้วมันดียังไงนะต่อไปพอร่างกายนี้แก่เราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันแก่ร่างกายนี้เจ็บเราจะรู้ว่าตัวทุกข์นี้เจ็บร่างกายตายเราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันตายไม่ใช่ตัวเราแก่ตัวเราเจ็บตัวเราตายจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวนะจิตใจมันจะร่าเริงในเผชิญความแก่ความเจ็บความตายด้วยจิตใจที่เข้มแข็งร่าเริงนะเพราะ intuition? อะไรเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตาย ร่างกายต่างหากมันแก่ร่างกายต่างหากมันเจ็บร่างกายต่างหากมันตายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยการที่เราฝึกกรรมฐานมากๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นรูปธรรมมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้นะเริ่มต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาต่อมาก็มากินอาหารมากินน้ํามาหายใจอนี้เอาธาตุของโลกมาเลี้ยงร่างกายนี้ เลี้ยงจนโตเต็มที่นะต่อไปมันก็อยู่ไม่ได้ก็คืนให้โลกไปนะดินคืนดินน้ําคืนน้าไฟคืนไฟลมคืนลมไปนะสลายตัวไปเนี่ยเรายังรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งเราต้องคืนเจ้าของร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถ ท, ทุกๆกลมหายใจเข้าออกเห็นแล้วจิตใจจะไม่หดหู่ บางคนบอกว่าเห็นอย่างนี้จิตใจต้องโหดผูกไม่หดผูกจิตใจจะยิ่งร่าเริงนะเวลาเผชิญหน้ากับความแก่ความเจ็บความตายซึ่งพวกเราไม่มีทางหนีเลยยังไงเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนะด็กเกิดมาหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันนะเด็กเกิดสองวันก็แก่สองวันเนะด็กเกิดปีหนึ่งก็แก่ปีหนึ่งเราอยู่หกสิบปีเจ็สิบปีแปดสิบปีก็แก่มาหกสิบเจ็ดิบแปดสิบปียังไงเราก็หนีความแก่ไม่ได้เราหนีความเจ็บไม่ได้นะ เรามีเจ็บน้อยๆเนี่ยตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็เจ็บนะเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวคันอะไรเงี้ยนี่ก็คือความเจ็บร่างกายนี้ถูกความเจ็บบีบคั้นอยู่ตลอดนะตอนป่วยมากๆก็เจ็บหนักๆนะเจ็บสุดขีดก็ตายร่างกายก็แตกทนไม่ได้ไมันเจ็บมากเนี่ยดูลงไปร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรายืมโลกมาใช้ วันหนึ่งต้องคือเจ้าของถ้าเห็นอย่างนี้นะใจจะร่าเริงเวลาเผชิญความตายอะไรอย่างนี้จิตจะร่าเริงถ้าไปอ่านในคำผีขอเราจะพบว่าเวลาพระอรหันต์นะจะปรินิพพานตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนะี่ยวันที่ท่านจะปรินิพพานเนะี่ยท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยวันที่พวกเราทั่วๆ่วไปที่ไม่ภาวนาจะตายเนะี่ยจะเศร้าหมองเป็นพิเศษเลยนะจิตใจหดหู่เศร้าหมองเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างละ แต่พระอรหันต์นะท่านไม่ได้รู้สึกว่าท่านจะสูญเสียท่านรู้สึกว่าตัวทุกข์มันกําลังจะแตกตัวทุกข์มันจะแตกเป็นความร่าเริงนะวันนั้นจะเป็นวันที่ผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะนั้นการที่เราคอยรู้สึกนะเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บิบคั้นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของโลกยืมเข้ามาใช้ชั่วคราววันหนึ่งต้องคืนเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่หวั่นไหวนะ เมื่อเผชิญความแก่ความเจ็บความตายถ้าตายยังไม่หวั่นไหวเลยจะหวั่นไหวเรื่องอะไรเห็นไหมเรื่องนี้ยังไม่หวั่นไหวความตายมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่รู้นะไม่มีใครรู้ล่วงหน้างั้นต้องเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายแบบไม่หวั่นไหวเราต้องไม่หวั่นไหวถ้าหวั่นไหวจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองมีทุกขติเป็นที่ไปจิตผ่องใสมีสุขติเป็นที่ไปนะ จิตไม่ยึดถืออะไรเข้าไปนิพพานนี่อาจดูกายไปเห็นความจริงของกายไม่ยึดกายเขาไม่ทุกข์เพราะกายอาจดูความจริงของจิตใจเราจะเห็นว่าจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถ้าเราเห็นความจริงนะว่าสุขก็อยู่ชั่วคราวทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวอารมณ์ที่เป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราว โ, โลภโกรดลงก็อยู่ชั่วคราวถ้าจิตมารู้ความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหว ไม่ใช่เวลามีความสุขจิตก็หวั่นไหวรู้สึกไหมเวลามีความสุขจิตก็ฟูเลยกระเพื่อมนะฟูนี่ก็หวั่นไหวเวลามีความทุกข์นะแฟบลงไปเลยนี่ก็หวั่นไหวนะไม่ว่าฟูหรือแฟบก็หวั่นไหวทั้งคู่นั่นแหละกระเทือนนะจะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่วเนี่ยจิตก็หวั่นไหวแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแก่รอบเราเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราว ความดีก็อยู่ชั่วคราวโรคกรดหลงก็อยู่ชั่วคราวโดยเฉพาะถ้าเราเห็นสุขกทุกข์นะมันเสมอกันเพราะมันอยู่ชั่วคราวต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นนะจิตจะไม่หลงระเริงเพราะจิตมันจะเมือนมีตัวเบรกตัวเองว่ามันไม่เที่ยงหรอกนะความสุขเกิดขึ้นแล้วหลงระเริงไป ม, มันไม่เที่ยงหรอกนะเวลาที่เราสมหวังนะนะบางคนถึงปีนะได้เลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยสมหวังนะอยู่ไปหลายๆปีกเกษียณ น, นะ สูญเสียหมดเลยเคยเป็นปลัดกระทรวงเปน็นอธิบดีเป็นอะไรนะสูญเสียไปแล้วใจไม่คิดแต่ว่าได้มาเราดีได้มาเราดีถ้าเสียไปเนะี่ยมันไม่ดีมันฟูบ้างแฟบบ้างแต่ถ้ามันเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงละเริงมันจะรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตจะไม่เศร้าหมองมันจะรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนั้นต่อไปเราจะไม่หวั่นไหว ในชีวิตเรานั้นเราต้องผเผชิญกับการพลัดพรากจากสิ่งที่รักพวกเราเคยพลัดพรากจากสิ่งที่รักไหมใครพ่อแม่ตายแล้วบ้างยกมือสิบางคนก็สมควรตายแล้วตัวเองยังควรเลยนะพ่อแม่ยังอยู่ยังไงบางคนก็อายุเยอะอย่างหลวงพ่อนี่แก่แล้วรุ่นโตกว่าหลวงพ่อนี่เกือบไม่มีแล้วนะตายไปเกือบหมดลวบันพกุกษเหลือแม่อยู่คนนะอยุเก้าเกือบเก้าสิบแล้ว น, ะนันตายไปหมดละ รุ่นเดียวกันหลวงพ่อนะเรียนรัฐศาสตร์จุฬารุ่นเดียวกันนะตายไปยี่สิบกว่าคนละนะเห็นไหมหลวงพ่อเหนียวแน่นกว่าเขานะตายตีหลังเขานะเนี่ยถ้าเรารู้นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นปกติเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะมันเสียใจใช่ไหมมันไม่สมหวังถ้าเรารู้ว่าความเสียใจความทุกข์ใจเนะี่ยเป็นของชั่วคราวนะเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ธรรมดามาแล้วไป มันจะไม่เสียใจมากมันจะไม่ทุกมากมันจะเหลือทุกนิดหน่อยไม่ทุกเยอะหรอกถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ทุกเลยดังั้นเราตอนนี้เรายัางพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเวลาพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเราทุกมากแต่ถ้าเราได้เจริญสติเจริญปัญญาเราเห็นความรู้สึกทุกชนิดในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวเวลาพลาดพลาดจากสิ่งที่รักจะไม่ทุกมากเวลาประสบกับสิ่งที่ไม่รักเคยมีไหมเจอสิ่งที่เกลียดใครมีคนที่เกลียดบ้างยกมือเสีย มีไหมมีใครสักคนที่เราเกลียดซื่อตรงกับตัวเองนะบางคนเกลียดภรรยาเราเองอะนะเมื่อไหร่มันจะตายสถทีเ <c oughs> นี่ยดูภรรยารีบหันไปมองว่าสามีจะมีท่าทางยังไงนะสามีก็รีบรู้ทันทำยิ้มแย้มไม่ <c oughs> ไม่ยอมรับเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้นะคดีเนี่ยไม่มีอายุความ <c oughs> ผู้หญิงมันอาฆาตนะต้องระวังนะ <c oughs> เวลาเราเผชิญสิ่งที่ไม่รักใช่ไหมเราอยากให้มันพ้นไปเร็วๆอยากให้มันผ่านไปเร็วๆแต่มันจะไม่เร็วยิ่งอยากให้เร็วยิ่งรู้สึกช้านะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันธรรมดานะทีใจก็ไม่สนใจนะหายหายไปเลยไม่มีความเดือดร้อนใจเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาใจมันก็ไม่หวั่นไหวมากยิ่งมันลดความหวั่นไหวลงได้นะความทุกข์มันก็น้อยลง หวั่นไหวเยอะก็ท <t> ุกเยอะหวั <t> ่นไหวน้อยก็ทุกน้อยนะพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่หวั่นไหวไม่ทุกทางใจอีกต่อไปและเหลือแต่ทุกทางร่างกายหลวงปู่ดูลท่านสอนไว้นะพระอรหันต์เนี่ยจิตเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรที่จะเข้าไปปรุงแต่งได้เลยสุขหรือทุกตีหรือชั่วเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งจิตพระอรหันต์ไม่ได้นะแต่จิตพระอรหันต์ไม่ชั่วนะจะไม่ชั่วเพราะกิเลสมันมาไม่ได้ ถามว่าดีไหมดีก็ดีเลิศเลยดีเกินดีเพราะไม่ได้ติดดีด้วยนะแต่ว่าชั่วไม่มีดีก็ไม่ได้ยุดนะความเมตตากรุณาอะไรเนี่ยอย่างในใจของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอระหันต์ความเมตตากรุณาเป็นธรรมะฝ่ายดีท่านมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่ท่านไม่ได้ยึดถือไม่ใช่ว่าคนนี้น่าสงสารจะต้องไปสอนถ้าสอนเขาไม่สําเร็จแล้วท่านจะต้องเศร้าหมองท่านจะไม่เศร้าหมองนะท่านจะไม่ยึดถือแต่พวกเรามันจะยึด อารมณ์ต่างๆยึดยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุก น, นี่เป็นหลักของธรรมะเรามาหัดรู้ความจริงในจิตในใจเราเราจะรู้ว่าอารมณ์ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกต่อไปเราจะยึดน้อยลงน้อยลงสุขทุกข์ก็ของชั่วคราวดีชั่วก็ของชั่วคราวพอรู้ไปเรื่อยๆนะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วนะจิตจะไม่หวั่นไหวจิตจะไม่ยึดถือจิตจะไม่ปรุงต่อ จะค่อยๆลดลดลดลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี้ยจิตจะไม่หวั่นไหวกับการกระทบกระทั่งใดๆเลยเหมือนกับว้าไม่มีอะไรกระทบเข้าถึงจิตได้อีกต่อไปจิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงมันว่างว่างไม่ใช่ว่างแบบที่เขาพูดกันนะพูดส่งเดชบอกจิตว่างจิตว่างจริงๆไม่ว่างหรอกจิตซ่อนกิเลสอยู่จิตจะว่างได้จริงนะนต้องสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่ บางคนบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เอาไม่ยึดถือนะไม่ยึดถือศีลสมาธิปัญญาก็ชั่วเท่านั้นเองดีไม่เอามันต้องชัว่วแน่นอนนะเพราะจิตของเราเปนยังปรุงแต่งอยู่งั้นตอนนี้ยึดดีไว้ก่อนนะรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใ จ, จตัวเองไปด้วยต่อไปพอเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วเราจะรู้ความจริงของสิ่งภายนอกด้วยเพราะมันเป็นอันเดียวกัน ถ้าร่างกายนี้แก่ได้เจ็บได้ตายได้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายข้างนอกของคนอื่นนั่นแหละมันก็แก่ได้เจ็บได้ตายได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเหมือนกันนะจะเห็นเสมอกันไปหมดเลยธรรมะภายในและธรรมะภายนอกนั้นเท่าเทียมกันเสมอกันไปหมดถ้าเราเห็นว่าความรู้สึกภายในของเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับไม่แต่ขางไม่เที่ยงนะเห็นคนอื่นมันก็มีแต่ความไม่เที่ยงเหมือนกันจิตของคนอื่นก็เกิดดับเหมือนกันะอย่างเราเห็นคนบางคนนะ ชั่วมากเลยเราเกลียดมากเลยนะแต่ถ้าเราเคยภาวนาเราเห็นเลยใจเราก็ชั่วนะใจเราก็ชั่วไม่ใช่น้อยเลยบางทีชั่วกว่าไอคนที่เราว่าเขาชั่วซนะอีกแต่เราเข้าข้างตัวเองเราว่าเราดีพอเรามาเผชิญความจริงเราเรียนรู้ความจริงนะในความชั่วทำไมมันเยอะแยะเต็มใจเราเลยนะเต็มไปหมดเลยลองหัดดูสิวันหนึ่งปรุงดีกับปรุงชั่วปรุงอะไรเยอะกว่ากันลองดูสนะิปรุงชั่วเยอะนะบางทีใจลอยเนี่ย ใจลอยทิ eng ตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมเป็นไหมเคยไหมใจลอยตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่ชั่วนะใจลอยขาดสติจิตมีโมหะรู้สึกตัวนานไหมรู้สึกแวบเดียวเดี๋ยวก็ใจลอยอีกแล้วเพราะงั้นธรรมาชาติเรานะมันชินจะชั่วถ้าไม่ฝึกไม่อบร ม, มไม่สั่งสอนมันนะจิตจะไหลลงที่ต่ำพระพุทเจ้าถือสอนเนี่ยจิตมีธรรมาชาติไหลลงที่ต่ํำนะเหมือนน้าต้องฝึก กั้นมันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้ยอบรมมันเข้าไปนี่บางคนบอกว่าไม่ต้องยึดถือทุกอย่างเป็นสุญญตาศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่ต้องรับรองชั่วแน่นอนเลยนะยังไงก็ต้องต้องปรุงเพราะจิตมันต้องไหลลงต่าแน่นอนนะนี่พวกเรามาฝึกนะฝึกไปจนเราเข้าใจความจริงของธรรมะธรรมะแสดงอยู่ที่กายที่ใจนี้พอเข้าใจในกายในใจของตัวเองก็จะเข้าใจกายใจคนอื่นด้วย มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายคนอื่นเ้าก็ทุกข์เหมือนกันพอรู้อย่างนี้มันสงสารนะมันเห็นใจนะเราจะไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นเลยเพราะอะไรเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วนะเรื่องอะไรเรา่าไปเพิ่มทุกข์ให้เขามันจะไม่เบี่ยนเบียนกันนะใจจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณานะเห็นอกเห็นใจันเข้าใจเห็นใจค่อยๆฝึกนะธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ทุกคหนนทุกขแห่ง แต่ว่าการศึกษาธรรมะนะั้นท่านสอนให้โอุปนิยโกน้อมมาเรียนที่กายที่ใจตัวเองเพราะอะไรถ้าเรียนที่กายที่ใจเนี่ยมันขอบเขตที่เราเรียนเนี่ยมันน้อยมันจบง่ายจะไปเรียนรู้โลกภายนอกเห็นรูปภายนอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้รูปนี้ไม่เที่ยงรูปอื่นเที่ยงไม่เที่ยงยังไม่แน่เห็นไหยไอ้อคนนี้ไม่เที่ยงไอ้คนนี้อาจจะเที่ยงอะไรเนี่ยนะต้องค้นคว้าไปมากดูรามาที่กายที่ใจของตัวเองเนี่ย ในวงที่เราเรียนนี่แคบแคบคือแค่ไกายคิดใจของตัวเองถ้าเข้าใจธรรมะตรงนี้ก็จะเข้าใจทั้งหมดพนะระพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อว่าโลกาวิทูเคยได้ยินไหมเคยสวดมนต์ไหมโลกาวิทูโลกาวิทนะูว่าผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าไปเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสตรโน้นศาสตร์นี้ทุกๆศาสตร์หรือเปล่าไม่ได้เรียนอย่างนั้นแต่ที่ชื่อโลกาวิทูรู้ลโลกอย่างแจ่มแจ้งนะคำว่าโลกเนี่ย ประกอบด้วยอะไรโลกนี้ประกอบด้วยรูปธปรรมและนามธรรมพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในรูปธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนะนี่ยท่านโอฟานายโกนะท่านดูแต่จิตในใจของท่านนะความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรนะีไล่ลงมามีความทุกข์เพราะมีชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีชาติเพราะอะไรนะั้นก็ไล่ไล่ไ ล, ล่มาจนกระทั่งถึงมีวิชา แต่ท่านเรียนอยู่ในตัวเองนะท่านล้างอาวิชชาในจิตของท่านดวงเดียว น, นี้เองท่านเข้าใจโลกทั้งโลกเลยเพราะฉนั้นถ้าเมืไหร่เราเข้าใจตัวเองนะเราจะเข้าใจคนอื่นแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจคนอื่นเราไม่รู้จักตัวเองจริงนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นจริงด้วยเราจะเข้าใจคนอื่นในมุมที่เราอยากจะให้เขาเป็นนะเราก็ทำไมเขาไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนี้นะทำไมมาทําอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาตลอดเวลา แต่ถ้าดูตัวเองได้อย่างบางคนนะเมียมีชู้เนี่ยเมียมีชู้โกรธมากเลยนะเกิดวันนึ่งนะพลิกใจเข้ามาดูตัวเองถ้าเราเป็นผู้หญิงหัวเราเฮงซวยอย่างเนี้ยนะไม่เคยให้ความอบูนเราเลยนะไปให้ความอบุูนกับคนอื่นนะจะเราจะทํำยังไงใจอาจจะบอกมาว่าต้องมีชู้นะอ่าพอใจบอกอย่างนี้นะหายโกรธเมียเลยนะเข้าใจอะข้าเข้าใจ นะดูที่ใจของเราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้แล้วไม่เข้าใจคนอื่นด้วยเห็นอกเห็นใจนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เกลียดคนอื่นหรอกแต่เราจะเห็นใจคนอื่นเข้าชั่วรู้ว่าเขาชั่วนะไม่สนับสนุนให้เขาชั่วแต่ไม่ซ้าเติมเขาไม่ได้เกลียดชังเขาลูกน้องโกงใครมีลูกน้องบ้างในนี้มีไหมมีลูกจ้างมีลูกน้องเคยเจอลูกน้องขี้เกียจลูกน้องไม่ดีบ้างไหมเราแตลงโทษไหมต้องลงโทษ น, นะ อุเบกขานะไม่ใช่นะอุเบกขานะ่ไม่เมตตาจริงนะอย่างคนทําชั่วเนี่ยเราอุเบกขาปล่อยให้ทําชั่วไปเรื่อยๆเขาไม่เห็นโทษของการทําชั่วอย่างลูกน้องดีเราให้รางวัลลูกน้องไม่ดีเราลงโทษแต่ลงโทษไม่ได้ด้วยโทสะนะลงโทษก็ขัดเกลาถ้าขัดเกลาไม่ได้อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ต้า อ, าออกไปต้องยอมออกมออกไปรักษาส่วนใหญ่เอาไว้อย่างเงี้ย เนความเมตตากรุณาไม่ใช่แปลว่าครีสทุกคนเหมือนกันหมดนะปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมดไม่ใช่ความรู้สึกเป็นมิตรต่อทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดแต่การปฏิบัติต่อแต่ละคนเนี่ยนะจะทําด้วยความเมตตาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยอย่างครูบาอาจารย์นะกับบางคนเนี่ยท่านชมภานาดีนิดเดี๋ยวก็ชมแล้วนะบางคนภานาดียังไงท่านก็ด่านะนึกว่าดีทีไรถูกด่าทุกทีเลยนะ แต่ทั้งสองคนนี้นะคนที่ท่านชมเนี่ยเป็นพวกที่ใจอ่อนแอหน่อยถ้าถูกดุจะฝ่อไปเลยไม่กล้าภาวนาท่านก็ชมดีแล้วดีแล้วไปทำอีกนะเติมตรงนี้ลงไปหน่อยหน้าหน่อเนี้ยนี่ก็เมตตาใช่ไหมไอ้ลูกศิษย์บางคนเนี่ยโขกได้ท่านโขกเลยโขกแล้วดีไหมโขกแล้วดีขึ้นดังนั้นนี่คือความเมตตากรุณานะไม่ใช่เราปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันแต่เรารู้สึกกับทุกคนนะเท่าๆกันนะค่อยค่ฝึกของเราไป พอจริงๆนะคนที่ร้ายที่สุดที่เราจะได้พบได้เห็นจากการภาวนานะคือตัวเราเองร้ายโคตรๆเลยละร้ายมากใครภาวนาแล้วเห็นว่าตัวเองร้ายขึ้นบ้างมีไหมมีไหมโอ้อยางนี้ภาวนาเป็นนะใครภาวนาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนดีดีเลยมีไหมมีเปล่าแมอเมื่อกี้ไม่น่าเฉลยเลยเฉลยก่อนเลยไม่กล้ายกมือเลย ไปฝึกนะธรรมะแสดงตัวอยู่แล้วเราเพียงแต่ว่าหันมาใส่ใจธรรมะอยู่ที่ร่างกายคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆธรรมะแสดงตัวอยู่ในใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้คอยรู้สึกบ่อยๆจกนกระทั่งมันรู้ความจริงกายนี้มีแต่ตัวทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิต น, นี้มีแต่ความไม่เที่ยงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราคอยรู้สึกเรื่อยๆไป พอรู้ตัวนี้นะใจก็คลายความยึดถือใจคลายความยึดถือใจก็พ้นทุกข์เข้าถึงภาวะที่อะไรอะไก็ขเข้ามาปรุงแต่งไม่ได้นะค่อยๆฝึกไปนะแล้วพอสมควรแก่เวลานะนี่แสดงว่าชาวภูกเก็ตเนี่ยไม่ธรรมดานะเวลาหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะเทศเรื่องอะไรหลวงพ่อมานั่งตรงนี้นะหลวงพ่อทำใจสบายๆแล้วนึกอยากเทศเรื่องอะไรก็เทศเรื่องนั้นแหละ มันจะพอดีพอดีกับคนฟังนะใครฟังแล้วรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลยยกมือซิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องมาให้กำลังใจหลวงพ่อนะใครไม่รู้เรื่องนะใครรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องดียอดเยี่ยมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสงสัยแต่และ ว, วันนะให้มันก้าวไปข้างหน้า แต่และเดือนแต่และปีให้จิตใจเราพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพัฒนาสติพัฒนาสมาธิปัญญาขึ้นไปนะใครรู้สึกตัวว่าปีนี้ดีกว่าปีกลายยกมือเสียอนุโมทนานะใครรู้สึกว่าแย่กว่าเก่ามีไหมแย่กว่าเก่าแย่ยังไง โอ้อย่างนี้มันตำหนิตัวเองหลวงพ่อฟังไม่ออกหรอกหลวงพ่อเดาเอานะให้รู้ทันเอานะที่หนูฝึกก็พอใช้ได้อยู่หรอกนะอย่าไปตำหนิตัวเองเลยมันโลภมากมันอยากดีกว่านี้นะใช้เปล่าหลวงพ่อก็เดาเอาหรอกพ่อพูดอะไรฟังไม่ออกเนะมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะนึอ่ออกไหมตัวหลงหัวเราะใช่ไหม เมื่อกี้ตัวหลงหัวร้นะเนี่ยตอนพยักหน้าเห็นไหมหลายคนรู้สึกแล้วร่างกายพยักหน้ารู้สึกด้วยใจที่สบายนะไม่ใช่อนาะจะพยักหน้าแนละเหมือนกิ้งกาไปหน่อยนะ <c oughs> ใช้ใจที่ธรรมชาติใช้ใจที่ธรรมดารู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจไปใจก็จะเข้าใจธรรมดารร ม, มาัธรรมดามากเลยนะเอาละต่อไปส่งกันบ้าน ทำมรดกการค่ะหลวงพ่อโยมไปส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่พังนงาแล้วหลวงหลวงพ่อบอกว่ารอเวลาอยู่แล้วยมก็ไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะแล้วยมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของของจิตนะคะเจ้าค่ะพอยมได้สูญเสียพี่สะไฟไปแล้วยมก็ไปเห็นร่างคน่นอนอยู่แล้วยมก็ไม่ได้ร้องไห้จ้าค่ะและแต่หลังจากนั้นโยมกลับมาบ้าน เห็นกายมันร้องเห็นนตามันไหลเองเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายไม่ใช่เรานะหรือใจจะเศร้าหมองใจจะเป็นสุขเราสั่งไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองเจ้าค่ะแล้วให้ยงก็เห็นมันมันปรุงปุงแล้วก็เห็นมันกําลังจะไปเกาะสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าไม่ใช่นะมันก็กระโดดออกเจ้าค่ะอย่าให้อารมณ์มันครอบนําใจ นะเวลาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นถ้ามันเข้ามาครอบงําใจก็ให้รู้ทันว่ามันครอบงํามันจะหลุดออกไปเราก็จะเป็นอิสระ<ช>แล้วเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราน ะ, ะมาเองไปเองจ้ช่วงที่หลว ง, งพ่อเทศเมื่อกี้เห็นใจมันเบิกบานใจ ม, นมันดับดับดับให้เห็นเจ้าพระนะเราก็ไม่ให้ความเบิกบานครอบใจด้วยนะจะนะนะใจเราต้องเป็นอิสระ ถ้าค่อยฝึกถ้าใจเสียอิสระภาพถูกอารมณ์ครอบให้รู้ทันที่โยมปฏิบัติมาทั้งหมดนี้ยังอยู่ในทางั้ยเจ้าพระอ ย, ะอยู่แต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมรู้สึกเจ้ะาะจิตมันไปอยู่ที่หลวงพ่อเจ้พาพระเออให้รู้ทันหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกลืมหลวงพ่อไปเออเข้าบ้านแล้ว ถ้าใจหนีไปให้คอยรู้นะอย่าให้หนีนานดีแล้วละไปทำอีกหลวงพ่อเจ้าคะแล้วต้องให้โยมไปเพิ่มตัวไหนอีกเจ้าคะตอนนี้โลภแล้วละให้รูว้ว่าโลภเจ้าคนะแล้วก็ภาวนาไปด้วยจิตใจสบายๆเป็นกลางถ้าโลบขึ้นมาให้รู้แต่โลบก็ออยังดีกว่าขี้เกียจเนะาะมีขี้เกียจแล้วไม่ภาวนารลภแล้วขยัน แต่ขยันเงื่อนหัวปักหัวปัมเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็เออทําไม่ได้ตทําทำไม่ได้มันหยุดความจงใจนะแล้วมันดีงอเบื้อต้นนะตึงตึงไว้ไหนดีกว่าย่อนไปไปทําเอาไปหลวงพ่อจะให้การบ้านอะไรเพิ่มคะเจ้าคะอย่าให้ใจออกนอกใจออกแล้วรู้ทันไวๆนะจ่ะสใจใจยังชีปลื้มอยู่่เจอหนะ้าหลวงพ่อแล้วมันปลื้มนี่นั่น ลืมนะให้รู้ทันนะสาธุเจ้าค่ะ ร, รู้อย่างที่เขาเป็นภออานาดีขึ้นนะปีเนี้ยครับนักการหลวงพ่อครับก็ผมครั้งแรกที่ได้ไปเจอหลวงพ่อครับเออได้ฟังซีดีของหลวงพ่อครับตอนแล้วปฏิบัติตามหลวงพ่อคือมีสติมีเติรู้อยู่ในปัจจุบันนะครับตามรู้ความรู้สึกแล้วก็อยากของการบ้านจากหลวงพ่อครับผมอยากขอคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับใจยังฟุ้งซานเก่งอยู่นะ ถ้าใจมันฟุ้งมากๆเนะาต้องมีเครื่องอยู่ให้ใจอยู่อย่างอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธนะแล้วคอยรู้ทันใจหายใจไปถ้าใจมันหนีรู้ว่ามันหนีไปอย่าไปบังคับนะอย่างนี้บังคั บ, ครบเราไม่บังคับหนีเรารู้ดีกว่าบังคับไว้ไม่ให้หนีหนะนีแล้ว ร, รู้หนีแล้ว ร, รู้แต่ไปใจมันจะไม่หลงยาวจะรู้สึกตัวสมาธิมันจะสูงขึ้นตอนนี้ใจมันฟุ้งสั้นมากไปนิดหน่อยไม่มากหรอกแต่ว่า ฟุ่งนิดหน่อยครับขอบพระคุณครับต้องมีเครื่องอยู่นะครับอยู่ก็อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไป ม, มันจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นครับการจะดูจิตดูใจนะถ้าไม่มีสมาธิก็ดูไม่ได้เหมือนกันสมาธิเป็นเรื่องสำคัญครับสมาธิก็คือสภาวะที่จิตใจอ ย, อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองเวลาเราหลงนะลืมตัว หลงแล้วรู้สึกไหมครับอันนี้หลงไปในความคิดไหมไหลแว บ, บไปในความคิดให้รู้ทันไม่ว่ามันอย่างนี้เพ่งไปมันจะแน่นถ้าจงใจมากไปมันจะแน่นถ้าย่อหย่อนไปมันจะหลงลืมตัวเองทางสายกลางจะทํำยังไงทําไม่ได้ให้หลงแล้วรู้ไวๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะแล้วต่อไปทางสายกลางมันจะเกิดขึ้นเอง จิมันจะเข้าสู่ทางสายกลางคือไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งน้าต่อไปครั บ, รบนะมัสการหลวงพ่อครับผมก็ทำตามหลวงพ่อว่าตื่นมาตอนเช้าอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จก็สวดมนต์ทสมาธิทาในทุกวันนะก็ถือสีนห้าโอ้ดีดีดีดครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ พอใช้ชีวิตปกติไปทำงานก็จะลมหายใจแบบสบายๆมันหลวงพ่อบอกปุ๊บมันก็จะมานิ่งมันจะมารู้สึกอยู่ตรงแถวลิ้นปีนี้ทั้งวันเห็นมไหวไหมตัวนี้ครับมันจะไหวมันจะไหวนะครับครับแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีเผลอบ่อยเผลอบ่อยในช่วงที่ตอนเราทำงานพอเผลอปุ๊บก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่า อ๋อพมันเผิดเแล้วสักพักมันก็จะรู้ว่ามันเผลอไปแล้วใช้ได้นหลี่ครับผมเวลาโยมภาวนาเห็นสภาวะได้ละเอียดแล้วล่ะยังเห็นตัวนี้ไหวครับผมถ้าไปเห็นตัวนี้ไหวนะเวลาดูไปไางทีเหนื่อยนะครัับมนจะเหนื่อยเน่ยถ้าเหนื่อยเรากลับมาทําสมถะอครับเพิ่มพลังของจิตก่อนอาจิตสงบจิตสบายแล้วมันกลับไปเห็นตัวนี้ใหม่ครับไปเดินปัญญาต่อเห็นไหมมันไหวได้เอง อย่างไรถ้าไหวไๆบางทีก็เบี่ยงความสุขขึ้นมาเบี่ยงความทุกข์ขึ้นมาโลภโกรดลงก็ผุดขึ้นมาจากตรงนี้ครับแต่เราไม่ห้ามเราไม่แทรกแซงคราก็รู้ไปเห็นมันทํางานได้เองจิตนี้ปรุงแต่งได้เองเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์เดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วแต่พอดูแล้วเหน็ดเหนื่อยทําสมถะนะเดินปัญญารวดเนเหนื่อยไปครับผม บางครั้งก็ไปติดเพ่งเพราะผมทำงานใช้จินตนาการเยอะพวกงานศิลปะอะไรเงี้ยไอ้นั่นจำเป็นนะครับผมไม่เป็นไร น, ะนั่นยอมมันประกอบอาชีพล้วก็ต้องทำแหละรครับผมแล้วมีอีกเรื่องผมสอถามคือผมขับมอเตอร์ไซค์กี่บิ๊กไบค์คันใหญ่ๆอาเงี้ยแลตอนออกมันก็จะจะมันก็ลืมตัวไปพักก็จะขับไปก็จะเพ่งอยู่ข้างหน้าพอ เลยเกาะภูเก็ต อ, ออกไปแล้วระยะทางออกดังอย่างหวัดปุ๊บมันก็จะรู้สึกที่เราหมายใจบ้างเพ่งข้างหน้าบ้างแล้วมาอยู่ตรงลินปีบ้างอย่างงี้จิตไปอยู่ที่ไหนรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะครับผมจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนั้นถูกครับนะไม่ใช่ว่าจิตต้องอยู่ตรงนั้นจิตต้องอยู่ตรงนี้แต่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระวังรอบๆตัวด้วยนะครับมทีาดูของเราคนเดียวไม้ได้นะครับผม <laughs> อันตราย ครับผมเอาพระคุณมากครับใช้ได้นะเียภาวนาดีครับสังเกตไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาครับผมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆนะครับดีกราบกาับวชสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบสองเดือนค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความเป็นกลางค่ะดูดูอะไรนะดูความเป็นกลางค่ะค่ะอ่า ก็กลับไปดูเห็นโลภโกรธ ล, ลงผ่านมาผ่านไปแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงที่กลางอกะคะ่ะมันปรุงสุกปรุงทุกข์แล้วมันมีจิตอีกดวงไปเห็นว่ามันไม่เป็นกลางค่ะมันสุกทุกข์แล้วอะไรนะมันเห็นสุขทุกข์ค่ะแล้วก็มันมีจิตดวงเห็นว่ามันไม่เป็นกลางต่อสภาวะ<ช>สุกับทุกข์ะะอะ่ะแกนั่นแหละตัวแกนั้นแหละค่ ะ, ะ, ลคะกลับขอกันบ้า น, นะคะ่ะดูบ่อยดูบ่อย สังเกตไหมทุกตัวมันทำงานของมันได้เองนี่เราจะเรียนจกนกระทั่งรู้ความจริงนะจิตมันทำงานของมันเองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราดีแล้วละไปทำอีกแต่ตอนนี้จิตไม่ไม่ไม่เข้ามารู้สึกไหมจิตกระจายไปนิ่งๆอยู่ข้างนอกถ้าอย่างนี้หายใจใหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกให้ใจกลับบ้านให้ใจมนเข้าบ้านดีกว่าจ้าออกไปข้างนอกนะ เจ้าไปข้างนอกเราจะเห็นแต่ความสุขไม่ค่อยทุกข์กับใครเขาหรอกมันหนีแล้วทุกข์มันอยู่ที่นี่ครนะับนรรสนครอาจารย์ครับครั้งล่าสุดที่ส่งกันบ้านส่งที่มอจุลังครับแล้วก็พระส่งเรื่องเกี่ยวกับออ่ายังไงอ่ะพระอาจารย์ให้เอดูอ่ดอดาดูธาตุดูขันแล้วที่นี้ผมบอกว่าเอดูเห็นแล้วแยกแต่ว่ามัน มันไม่เดินปัญญาแล้วพระอาจารย์บอกว่าเออมันแสดงอมันแสดงกันแล้วให้เราเห็นเห็นแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่เห็นเองแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ดูอนาตาผมก็เลยกลับไปดูผมเห็นสภาวะประมาสอสามครั้งที่ชัดมากจริงๆมันมากกว่านั้นนะครับพระอาจารย์แต่ก็มันก็ไม่ได้หมดเหมือนที่พระอาจารย์บอกไงผมยกตัวอย่างสักสองครั้งนะครับพระอาจารย์หนึ่งจังหวะเหวี่ยงแขนมีอยู่ครั้งนึงเห็นว่าเขตมันหายไปแล้วจิตมันบอกว่าเหมือนจิตมันเดินปัญชาว่า มันไม่มีเรามันไม่มีเสียงมันไม่มีอะไรเลยเ น, นั่นแหนละจิ ต, ตมันมีปัญญาครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับ อ, อไปเดินตลาดสดแล้วก็แม่ค้าเขาด่าลูกค้าพูดคำหยาบแล้วจิตเราไม่ชอบเราก็เห็นจิตที่ไม่ชอบแล้วก็เราก็เห็นสภาวะที่ไม่เป็นกลางต่อจากจิตไม่ก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละถูกแล้วหลังจากนั้นนะพระอาจารย์มันว่างไปหมดเลยครับผมเพราะจิตไม่เป็นกลางแบบมันมันเป็นอนัตตาหรือเปล่าครับไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นแล้วก็าอย่าไปติดว่างนะครับผม ว่างก็ว่างไม่ว่างก็ช่าง้าไม่งั้นเดี๋ยวจิตจะไปเอาว่างครับรู้สึกว่าอาวนาไปแล้วก็อยากให้มันมาเป็นแบบนี้อีกใช่ครับเอออย่างนั้นไม่ได้นะออืให้รู้อย่างที่เขาเป็นออืก็ว่างก็ว่างโลบก็โลบโกรธก็โกรธรู้อย่างที่มันเป็นครับะถ้าเราจงใจเดี๋ยวจะไปติดว่างอ๋อครับผมครับมันขอกราบพระอาจารย์ขอคันบ้านสักหน่อยฮะไปทําต่อไปดีกว่าเก่าเยอะแล้วล่ะครับ ก, การนมัสการหลวงพ่อครับก็ผมก็เพิ่งปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อไม่ไม่นานมากก็ในรูปแบบเนี่ยก็คือไหว้าพระสวดมนต์แล้วก็ดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกวันละสิบถึงยี่สิบนาทีครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือดูกายบ้างดูความโกรธความโลกบ้างอะไรเงี้ยครับก็ทำสลับกันไปเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีความเขียนไหมว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไป ครับเราดูให้เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอีกดูไปเรื่อยๆยังยังมีความไม่มั่นใจอยู่<ช>ว่ายังยังทำถูกต้องหรือว่าใจมันยังไม่เป็นกลางนะใจันยังไม่เป็นกลางยังยังเร่าร้อนใจในการภาวนาภาวนาไปสบายๆอย่าห ว, วังผลถ้าอยากได้ผลเร็วๆมันจะช้า อย่างเช่นถ้าเรารออะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะนานาเราไม่ได้รอนะเรานั่งเล่นอะไรของเราไปแป๊บเดียวก็หมดเวลาละครับก็นานนี่เหมือนกันถ้าเราเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้มันจะนานมากเลยครับไปจำไปเราวิธีเดิมนี่ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับใช้ได้แต่ว่าตอนนี้จิตเหมือนออกข้างนอกรู้สึกไหมครับหายใจซิหายใจนีแล้วเห็นไหมแ <laughs> สดงว่าอะไรสมาธิไม่พอ ขนาดหายใจจะให้รู้สึกตัวให้ว่ยังไหลออกไปเลยครับมันจะรู้แวบเดียวบางทีหายใจเข้าไม่ทันเสร็จก็ไหลทันทีเลยแสดว่าจิตเนี่ยไม่มีพลังพอนะครับแล้วไปฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปไหลมาครับไม่ห้ามนะถ้าห้ามเราเครียดครับขอบพระคุณครับนมัสการค่ะหลวงพ่อ หนูปฏิบัติโดยการดูจิตอะค่ะอตอนนี้ก็เห็นจิตตัวเองตื่นเต้นมันจะไหววๆอะค่ะออืแล้วก็จะมีเหตุการณ์นึงค่ะหลวงพ่อคือเจอเหตุการณ์ที่เสียใจเสียใจมากแล้วทีเนี้ยจะเห็นร่างกายมันร้องไห้แต่จิตมันจะจะเห็นและรู้สึกว่าจิตมันไม่ได้เศร้าตามเหมือนร่างกายะอะค่ะเออกายกับใจมันโค่นกันนะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเลยื่อทีเราไม่อยากร้องมันร้องของมันเองใช่ค่ะ เนี่ยดูอย่างนี้แหละสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันไม่ใช่เราแล้วขณะตะกี้ที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยใจมันก็จะคิดคิดไปเรื่อยค่ะคิดแล้วพอรู้ก็กลับมาแล้วก็คิดไปตลอดะะไม่ห้ามนะไม่ได้ว่าห้ามคิดนะค่ะแต่ถ้าคิดไปก็คือใจมันไหลไปเราก็รู้ว่าไหลไปก็ใช้ได้หรือถ้าใจไหลไปคิดเราไม่รู้มันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเราไปรู้ว่ามีสุขมีทุกข์ก็ใช้ได้ ถ้าสุขทุกข์ก็รู้ไม่ทันนะมันเกิดโลภโกรลดหลงอะไรขึ้นมาเรารู้ว่าโลคโกรดหลงก็ใช้ได้นี่ค่อยรู้ไปรู้ได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหล ะ, ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่อกุศลมันเกิดส่วนมากจะเจอที่ว่ามันมันครอบใจอะ่ะค่ะหลวงพ่อมันอะไรนะมันครอบอะค่ะมันครอบใจเหมือนกับเวลาเจอความทุกข์บางที<อ>ความทุกข์มันค่อง่าย ๆ, ๆเลยดูไม่ตรงๆ มันทุกข์เหรอมันเศร้าเหรอเี่ส่วนใหญ่ความเศร้าใจอะไรอย่างนี้นะครอบดูห้วยตรงๆดูไปตรงที่ความรู้สึกเศร้าอ่ะเลยตรงที่ความรู้สึกทุกข์ดูซิดูไปดูมันดูกระเด็นนะเดี๋ยวก็กระเด็นออกไปเองนดูดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันหายไปใช่ไหมคะไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆหายก็หายไม่หายก็ชั่ง มองมันเข้าไปตรงๆมันทนอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าไปดูแล้วก็ลุ้นเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายออย่างนั้นไม่ได้กินหรอกเจ้าค่ะแล้วขอขอการบ้านหลวงพ่อค่ะเราเป็นคนช่างคิดนะงั้นเราต้องมีอารมณ์กรรมฐานอยกบริกรรมก็ได้พุโทโธพุโทโธอะไรเงี้ยหรือจะหายใจหรือจะสวดมนต์อะไรก็ได้<ช>แล้วใจหนีไปแล้วรู้ไวไวถ้าไม่ทําเลยนะใจมจะฟุ้งไป เป็น<ถ>คนช่างคิดนะเจ้าค่ะถ้าบริกรรมพุโทโธนี่ได้ใช่ไหมคะได้ได้แต่ถ้าบริกรรมพุโทโธแล้วลำคาญนะเขาไม่เอาเอาอย่างอื่นก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์ที่มีความสุขใช่ใชบริกรรมอันไหนนะ่อยนใจมีความสุขแต่ถ้าใจมันด่าคนตลอดเวลานะมันมีความสุขอย่างนี้ไม่เอานะเจ้าค่ะมันผิดศีลผิดธรรมเจ้าค่ะเอาต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับ ผมมีคําถามที่ค้างอยู่ในใจมานานแล้วจะให้มันค้างทําไมคือว่าพอเวลาเรานอนหลับสนิท ต, ตอนกลางคืนนะครับเวลาเลยนะเวลาเรานอนหลับสนิท ต, ตอนกลางคืนนะครับหรือว่าหลับลึกเนี่ยเราสามารถรู้สึกตัวได้ไหมครับรู้อะไรนะรู้สึกตัวได้ได้อย่างหลวงพ่อนอนเนี่ยนะร่างกายหลับนะไปทีเหนื่อยมากมร่างกายกลนเลยใจรเราเป็นคนดูนะครับ หรือจะพลิกซ้ายจะพลิกขวารู้สึกทางนั้นแหะแต่ว่าหลับนะใช่ครับพอดีออคุณพ่อผมเขาฝากคำถามมา ก, ก็คือว่าเขาตอนนอนหลับเนี่ยเหมือนกับไม่หลับมาประมาณสิบกว่าปีละอายุเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบห้าครับพ่อผมปฏิบัติมาประมาณสามสิบกว่าปีครับ เ, ออเดี๋ยวนนะมันร่างกายมันนอนนะครับแต่ใจมันตื่น ทำไมร่างกายนอนแล้วใจมันตื่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการพักหลายชั่วโมงแต่ใจเนี่ยต้องการพักไม่นานหรอกงั้นร่างกายยังพักไม่พอเลยใจพักพอก่อนใจก็ขึ้นมางน้นพาวนาต่อไปขอบคุณครับนวัตสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับใช้ได้เนาะ <laughs> ก็เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อครั้งแรกเดินสิงหานะครับแล้วก็ผ่านมาได้ประมาณห้าเดือนอตอนนี้ศีลห้าก็คิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย ม, มิเผลอไปแบบเกาบ้างเอ้าหมดตลายติดมือมาเใช่ได้แล้วล่ะครับสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้สังเกตได้ครับนี่นะแยกขันเป็นนรกแยกขันได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะแยกขันไม่ได้เหลว็ตามมหาบัวพูดเลยแยกธาตุแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยวัดเราเรื่องเดินปัญญานะ ไปแยกขันได้เราจะเห็ น, หนขันแต่ละขันคือสภาวะธรรมแต่ละสภาวะไม่ใช่เราหรอกนะมาเองไปเองเกิดได้ดับได้ครับเรียนรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะแต่ถ้าใจโลภขึ้นมาอยากได้เร็วๆอยากบรรลุเร็วๆ ร, ร, ร, รู้ทันว่าโลบใจก็เป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะต่อไปพอวนาดีนะของคุณอนะ่ะเรได้คีย์เวิร์ดหลวงพ่อว่าให้ทําเป็นแบบพุทธบูชาได้ก็ได้ดีก็ดีนั่ น, นแหละหต้องอย่างนั้น<ๆ>ถูก ถ้านานอย่างนั้นถึงจะภาวนาได้ดีถ้าภาวนาจะเอาอไม่ได้ดีหรอกก็หลวงพ่อถึงสอนพวกเราเรืยๆไงว่าเนี่ยปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าซะทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ใช่เพื่อจะเอาดีวิเศษวิโสอะไรหรอกปฏิบัติบูบชาไปนะแล้วผลปล่อยได้ที่จะได้มันจะยิ่งใหญ่ถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอาเราไม่ได้กินหรอก วานาดีใช้ได้กับนวัตการมหลวงพ่อคะอ่ะออหนูมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อต้นปีที่แล้วคะ่ะผ่านทางหนังสือปฏิบัติโทนาเพื่ออะไรพอหนูอ่านจบปั๊บวันรุ่งขึ้นหนูก็เลยสั่งพิมพ์หนังสือของหลวงพ่อสามพันเล่มคะ่ะแจกเพื่อนๆแล้วก็ที่วัดต่างๆคะ่ะทีนี้หนูก็ฟังหลวงพ่อผ่านทาง youtube ตลอดนะคะจนสามีบอกว่าฟังอะไรทุกวัน ก็ตามฟังหลายที่หลวงพ่อเทศอะไรที่นะคะเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามีเห็นนะค่ะตอนนี้อ่าสามีเริ่มคอยตามค่ะหลวงพ่ออทีนี้หลวงพ่อพยายามฝึกตามที่หลวงพ่อพูดหลายหลายครั้งอนะคะหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันง่ายไม่แน่ใจว่าผิดทางหรือเปล่าจริงจริงมันง่ายง่ายเลยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเลยเลยมันง่ายนะ ง่ายอ่ะทวดยิ้มเนี่ยเห็นร่างกายมันยิ้มน่ะไม่ใช่เรายิ้มนะค่ะคือเมื่อก่อนเวลาใจมันไหลไปคิดเราก็จะดึงกลับมาใช่ไหมคะตอนนี้มันเหมือนกับไม่ต้องดึงคือมันกลับมาเองมันมาเองค่ะถูกข้างมาําโลภแล้วอ๋อค่ะได้ค่ะมันมาเองแหละเห็นไหมสมาธิก็จะเกิดเองใจไม่ไหลใจตั้งมั่นเกิดเองแล้วจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้นะเราไปพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บสติเกิดเองนะมีแต่ของอัตโนมัติหมดเลย เราเห็นไหมจิตจะไหลก็ไหลได้เองจิตจะรู้ก็รู้ได้เองนะไม่ไม่คงที่นะไม่ใช่ตัวเราปัญญามันก็เกิดเองค่ะฉลาดขึ้นค่ะนั่นแหละฝึกไปด้วยนะสีสมาธิปัญญาไม่อาสนมัตกราบน้ำมัสการค่ะหลวงพอ่อตื่นเต้นไรไหมปกติดูไ ร, ร<อ>ไหมรา้รายนะหลวงพ่อก็ว่างั้น ช่วงนี้จะเห็นความมีมายาค่ะแล้วก็เห็นความไม่เป็นกลางพอเห็นแล้วรังเกียจตัวเองให้เลยความเป็นมายาเนี่ยนะดูยากนะเป็นทุกคนเลยอย่างเวลาเราจะคุยกับลูกเราก็มีมายาของการเป็นแม่หรือเป็นพ่อใช่ไหมเราจะคุยกับแฟนเราเราก็มีมายาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนหน้ากากไปเรื่อยเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะเราเล่นละครไปเรื่อยๆ แต่เล่นได้ไหมเล่นได้แต่รู้ว่ากำลังเล่นอยู่นะให้รู้ว่านี่มันละครนะเวลาเล่นบทของแม่มันก็ต้องมีนะเป็นบทของภรรยามันก็มีบทของลูกน้องบทของเจ้านายมันก็มนะีเวลาบทของพุทธศาสนกชนมาเจอพระก็ต้องวางฟอร์มให้ดูเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมพวกเราที่มานั่งฟังเนี่ยเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมายา ไม่อย่างเรียกมายานะอย่างเรียกว่ามานยามาไปจะจะเห็นมันผุดขึ้นมาแล้วก็ความไม่เป็นกลางของมันใช่ได้นะไปดูอีกนะคของหนูนะมันขี้โมโหนะใขี้โมโหมันดูง่ายนะมันเป็นกิเลสหยาบที่ดูง่ายมันร้อนนมันเดือดพุ๊บปุ๊ป๊บขึ้นมาให้รู้เอาไม่ว่ามันนะเวลาเวลาโมโหนักหนักจะเห็นมันขึ้นหัวเลยเดินนั่นแหละดี ไปดูนะไม่ใช่ดูให้หายนะค่ะดูให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันโกรธได้เองะนะยิ่งยิ่งภาวนาไปก็คือเห็นเห็นเลยว่าความเข้าใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะถู ก, กนะอย่างฟังซีดีหลวงพ่อนะบางคนมีซีดีอยู่แผ่นเดียวฟังไปก็ว่ารู้เรื่องนะฟังไปเรื่อยๆมันรู้ไปก่อนละเรื่องนะความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยน แล้วอยากกราบขอขมาหลวงพ่อเพราะว่าสอดทอดทำมากที่หลวงพ่อเทะค่ะไปโพสให้เพื่อนๆอ่านที่ในเฟซบุ๊กค่ะไม่เห็นต้องขอขมาเลยเผื่อเผื่อบางทีถอดแล้วก็ไปโพด่าหลงพ่อะไรบบนี้คถ้าไปโพสด่าหลวงพ่อค่อยขอขมาคนรุ่นนี้นะมันเล่นอะไรอ่ะเุ๊เล่นอะไรนี่นะเขียนง่าย ทีก็มันมองไม่เห็นนะสิ่งที่เขียนออกมานะมันแฝงอัตตาตัวตนแล้วรู้สึกปลอดภัยไม่มีใครรู้จักงั้นปล่อยเต็มที่เลยสามารถทำบาปได้อย่างง่ายดายถ้ารู้จักใช้นะมันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เป็นบุญได้ล้วทําไปเพื่อสนองกิเลสสนองอัตตานะจิตใจก็ยิ่งแย่ใหญ่นึกอยากดา่าใครก็ด่า ทุกวันนี้ด่าพระกันเยอะเลืกินจริงๆด่าก็ด่าในใจสิด่าในใจห้ามไม่ได้ด่าในใจยังไม่ผิดศีลนะแต่ถ้าถ่ายทอดออกมาเนี่ยใช้ร่างกายใช้วาจาถ่ายทอดออกมาเนี่ยผิดศีลละไม่เฉพาะด่าพระหลอกด่าใครก็เหมือนกันทุกวันนี้วิจารเวลาสังเกตเธอคนที่ชอบวิพากษ์วิจารนะว่าคนโน้นว่าคนนี้เนยไอ้โน้นไม่ดีนี่ไม่ดี สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะมันคือตัวกูนะมันคือตัวกูพวกเรานักปฏิบัติเราอย่าไปหลงกลกิเลสตัวนี้ให้เรารู้ทันกระทั่งการโพสธรรมะนะโพสธรรมะเนี่ยที่ตัวกูอย่างแทรกอยู่เลยเอาธรรมะหลวงพ่อไปโพสนะนี่อาจารย์กูนั่นแหละกูไม่ได้ตัวกูไม่ได้น่นก็อาจารย์ของกูอีกแล้วนะอาจารย์กูดีกว่าคนอื่นนะอาจารย์มึงไม่ดี นี่กิเลส น, นะรู้ทันเข้าไปรู้ทันเวลาใจจะพูดเวลาเราคิ ด, เ ว, เ, ดนะเวลาเรากระทำตัวกูมันซ่อนอยู่ข้างหลังให้คอยรู้ทันมันต่อไปมันจะครอบงำเราไม่ไดนะ้จะเหลือเหตุผลล้วนๆเลยเหลือแต่ความเมตตากรุณาที่ทำงานขึ้นมาคนสุดท้ายทุกข์จะแย่แล้วคนนี้ทุกข์ที่สุดในห้องกราบนรัมสการหลวงพ่อคะ่ะ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอหลวอาไม่รู้แล้วฟังมานานยังฟังมาหลายปีแล้วค่ะก็ดูก็ใช้ได้น่ะรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปรู้สึกค่ะเมื่อกี้อยากพูดรู้ไหมรู้แล้วมันดันขึ้นมากลางอกใช่ไะมันปุ๊บขึ้นมามันมันดันแล้วมันดันนั่นแหละมันจะจุกอยู่ตรงกลางใช่มันอยู่กลางอกอะไรให้รู้ไม่ห้าม สุขทุกข์ดีชั่วก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนั่นแหละะยกเว้นสุขทุกข์ทางกายน ะ, ะแต่ถ้าสุขทุกข์ทางใจนะผุดขึ้นกลางอกทั้งนั้นนะ่ะะคเห็นไหมมันผุดได้เองมันมันผุดได้เองค่ะเห็นค่ะบังคับไม่ไดน้นดูต่อไปนะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมาเองไปเองบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆดูจนใจมันพอ ไปเรื่อร่อยยๆเเชป็นไห ม, มใจอยากพูดก่อนที่จะพูดออกมารู้สึกไหมมันมีความอยากพูดเกิดขึ้นตอนนี้มันแน่นหมดแล้วอะ่ะอะไรนะตอนนี้มันมันแน่นนะคะ่ะมันแน่นมั น, มนตื่นเต้นอนะตื่นเต้นมันปนะนไปหมดเลยคะ่ะเออแล้วมีใครมาด้วยหรือเปล่าวันนี้อริจริงๆวันนี้มาคนเดียวอ่ะนะคะนะแต่ว่าก็ได้ชวน ชวนพี่ที่รู้จักมามด้วยจริงๆคุณพี่อยากส่งกันบ้านแต่ว่าคิวเต็ ม, มส่งกันบ้านหลวงพ่อจริงๆไม่ค่อยจำเป็นนักหรอกสังเกนไหมที่คำถามแต่ละคำถามนะมีคำตอบอยู่ในซีดีเท่านั้นเลยค่ะเพราะนั้นเวลาเราสงสัยนะมีวิธีถ้าไม่เจอหลวงพ่อหนะยิบซีดีมาแผ่นหนึ่งนะคิดถึงพระพุทธเจ้านะ บอกว่าลูกเนี่ยสงสัยเรื่องนี้อยากได้คําตอบแล้วไปเปิดฟังะมีคําตอบใช่ค่ะมีแน่นอนทาไมมีเพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะพอแล้วล่ะสําหรับการปฏิบัติครอบคลุมการปฏิบัติมากพอล <c oughs> แล้วงั้เราเปิดซีดีฟังนะค่อยๆดูอย่าเข้าข้างตัวเองเท่านั้นแหละ <c oughs> ค่อยๆดูค่อยๆใส่ใจ เ, เดี๋ยวก็มองออก กิเลสของคนอื่นหรือกิเลสของเรามันก็เหมือนอนกันนั่นแหละความสงสัยของคนอื่นความสงสัยของเรานะโดยหลักแล้วก็เป็นแบบเดียวกันสำนวนโมหานที่ถ่ายทอดอาจจะต่างกันนะแต่หลักเขามีแค่นั้นน่ะงั้นไม่ต้องตกตกใจว่าไม่ได้ส่งกันบ้านนะใช้ความสังเกตใช้โยนิโสมนสิการสังเกตอ่ ะ, อะได้สิบสองคนแล้วว่ามา ขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแสดงธรรมและตอบคำถามเรื่อบการปฏิบัติครับลำดับต่อไปพวกเราทุกคนจะร่วมกันถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อก็ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรม พร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดครับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นกาลนานเทิน